Thank you. เพื่อจูฟังเนาะเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติธรรมที่เรากําลังทํากันอยู่แลเราได้ยินสิ่งที่เราได้ทําให้เราได้ทําในสิ่งที่เราได้ยินแล้วก็สมดุลกันเราก็อาศัยสื่อสารภาษาที่รู้เรื่องกันเวลานี้เรามาปฏิบัติธรรมกันาำไม้จึงปฏิบัติธรรม ถ้าเราจะถามก็ต้องถามตัวเองทำไมเราจึงหลงทำไมเราจึงทุกข์ทำไมจึงโกรธจึงโลภทำไมต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บ ต, ต้องตายพอคิดเห็นความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ทุกข์ก็มีบ้างแล้วไม่มีทางอื่นที่จะต้องไม่ทุกข์เรื่องนี้มีไหมคำตอบเป็นการบ้างของพวกเราดังพระศีรัตถะ ที่ทรงผนวชออกศึกษาเรื่องนี้เพราะไม่ยอมจํานวนต่อการเกิดเจอเจ็บตายงานต้องมีแน่นอนเมื่อมีเจอต้องมีไม่เจอเมื่อมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีตายต้องมีไม่ตายเมื่อมีทุกข์ก็ต้องมีไม่ทุกงานต้องเป็นคู่สุ่มหาลองดูมองเป็นคู่ไว้ก่อนเราเคยศึกษาเรื่องคู่ไหมเวลาเราทุก ความไม่ทุกข์มีไหมลองศึกษาตรงให้ลองดูทําลองดูเราจึงต้องมีการฝึกขัดยามสงบเราฝึกยามเซกแล้วก็โลกได้บางทีเราไม่เคยฝึกตัวเองเลยถึงเขาเจ็บเขาเจ่ายังตายมันจะทํางานเราไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้ไม่เคยเห็นกระแสไม่เคยมองทิศทางที่จะต้องไป ยังมีการเจริญสติกันเป็นฐานเบื้องต้นการมีความรู้สึกตัวเนี่ยทำไมจึงไปมีความรู้สึกตัวมันป้องกันการเกิดเจ็เจบตาได้อย่างไนอยากพึ่งไปหาคำตอบงั้นเราเรียนหนังสือสมัยก่อนเป็นเนนถ้าเรียนหนังสือนักธรรมมารูก็ว่าวินัยบัญญัติอนุาสาตรแต่ 8. จานก็เพราะอ่านหนังสือ เมื่อไม่คิดแย่งแต่ไม่รู้จะเรียนประจามใหม่พระพุทธเจ้าคงมีพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีอีกแล้วก็ไม่หวังจะเป็นพระเจ้าอะไรเสียเวลาเปล่ามันก็คิดไปตำหรองนั้นไปหาลู่หมาว่าจากที่เราท่องนวโ ก, กวัฒมันก็เป็นชีวิตของเราทั้งหมดเลยการเจริญสติก็เหมือนกันนันก็เป็นชีวิตของเรา มันแยกกันไม่ออกเพราะสติกับกายกับใจมันให้ความเป็นธรรมต่อกันอาจจะเป็นกาพูดว่าสติความเลิกได้คำใปฉัญญะความรู้ตัวเป็นคำพูดแต่เมื่อเราสัมผัสจริงๆไม่ใช่คำพูดเฉยๆแล้วเป็นการกระทําลงกว่าก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดมีความรู้สึกมีความเลิได้นั้นก็ปลอดภัยไม่ไปเป็นรุ่นรุ่นมีสิ่งที่พาให้เราถูก มีสิ่งที่ดูแลเราช่วยเราอยู่เช่นเราอยู่ที่นี่ก็มีสิ่งที่ช่วยเราอยู่อย่างน้อกจะมีอากาศหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เป็นธรรมชาติมีต้นไม้ที่เปลี่ยนอากาศลาเป็นอากาศดีเป็นส่วนประกอบเรานั่งอยู่นี่หายใจเข้าหายใจออกโดยที่ไม่ตั้งใจการจเจริญสติ น, นี่ก็เหมือนกัน ถ้าเราไปสร้างมันไม่มีเหมือนกับอากาศที่เราหายใจเธอจึงสร้างมันขึ้นมาประกอบขึ้นมาเอากายไปจุ่มเอาเอาใจไปจุ่มเอาให้เกิดพวงรู้สึกตัวไปในกายไปในจิตถ้าไม่หัดไม่เป็นมันจะมีแต่ความหลงเป็นเจ้าบ้านเจ้าเลือดเพราะกายเพราะจิตเนี่ยมันไม่เหมือนธรรมชาติอันดึมมันเป็นของที่เปืเ้อนเกกับสิ่งแวลงดล้อมนด้เป็นจริตนิสัยต่างกัน เป็นโลภะจริตโทสะโมหจริตโมหจริตราคะจริตแม้แต่ความคก่คิดที่สัมผัสไรมากก็ไปเป็นอย่างนั่นไปแต่ยังต้องมีหลักมีศาสนามีความศรมีกายมีใจกายใจนี่ทำดีได้ทำชั่วได้ถ้าเราจะให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคลมร้ายกลมดีมันก็ให้ปลอดภยัย แต่การเปิดผลตนเองจะทำไงที่จะมีความรู้สึกตัวต่อเนื่องทำอย่างไรก็มีวิชากรรมฐานดังที่เราได้ชอบอยู่แล้วพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่มีหนังสือตำรับํ า, าราอ่านเอากายเอาใจเป็นตำราเข้าไปเลยดูมีสวนรู้สึกมีความลึกได้ทักท้วงตรวจสอบกายใจที่มันแสดงออกมันก็มีผิด มันก็มีผูกมันก็มีสุขมันก็มีทุกข์เราก็ยอมรับทุกอย่างไม่ได้เสมอไปเราต้องแก้ไขปรับปรุงลงดูเมื่อมันหลงเราก็ไม่หลงมีความรู้ขณะที่มันหลงเราก็ฝึกไว้ให้มันตรงกันข้ามเมื่อมันหลงมีความรูกก้ไปเกี่ยวข้องเมื่อมันทุกข์มีความรู้เกิดขึ้นก็ไปเกี่ยวข้องเมื่อมันโกรธมีความรู้เกิดขึ้นก็ไปเกี่ยวข้องเมื่อมัน เจมีความรู้ควาไปเกี่ยวขอ้องเมื่อมันเจ็บมีความรู้ควาไปเกี่ยวขอ้องเมื่อมันตายมีความรู้ควาไปเกี่ยวข้องมันทําได้ไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานเรีว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐพัฒนาได้เกันเหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายได้เราจะมังหัดเบื้องต้นโดยมีความรู้สึกตัวเนี่ยการประคาศจังนี้ใครเขาช่วยเราไม่ได้เราต้องมีจิตกรรมแบบนี้เกิดขึ้นเป็นหมูเป็นมิตรเป็นเพื่อนกัน ทำมาเดียวกันบางทีก็เป็นสิ่งเวทล่อไว้กันและกันได้คนหนึ่งขอให้หลงเราหลงคนเดียวคนหนึ่งเขาขยันหมั่นเพียปรปลาลูกหมั่นเพียรเราเขี้เกียจทีข้านนั่นก็เป็นบทสะท้อนให้เราเห็นให้เหมือนเราอยู่คนเดียวเพราะเราอยู่คนเดียวอยากทําอะไรก็ได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยจิตปล่อยใจไปทิศทางต่างๆถ้าลูกับโมเนี่ยเอาอย่างหมบ้างนันก็ดี แล้วมีคำสอนมีผู้นําพาเราฝึกตรงนี้แล้วก็มีพิธีด้วยยกมือเคลื่อนไหวไปมาให้มีความรู้สึกตัวเราก็ดูได้เป็นเจ้าสารพัสเนื้อความรู้สึกตัวเนี่ยสัมผัสได้ทันทีพลิกมือขึ้นก็รู้วาง ม, มือลงก็รู้อาศัยการเคลื่อนไหวอาศัยส่วนประกอบไม่ใช่คิดรู้เป็นการสัมผัสเอา ถ้ามีกายก็กายไปรู้ถ้ามีใจก็ใจไปรู้ให้เป็นความรู้คู่กับกายกับใจไปให้มันติดกันแต่ถ้าเราไม่ฝึกมันก็ติดความหลงซะมากกว่าเราดูดเลยตัวเองดูสิความหลงกับความรู้สึกอันไหนมันมากกว่ากันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องรู้เองเราทําไงมันจึงจะไม่หลงก็มีอยู่แล้วอาศัยวิชากรรมฐานนี้ตามรูปแบบหลายหลายแบบ แบบที่บางเป็นหมายเลขหนึ่งคือสติปัฏฐานเราก็ได้ทราบกันอยู่แล้วแต่ไม่ใช่เรียนรู้ไม่ใช่เรื่องจาเอามาให้เกิดการพบเห็นเห็นมันหลงเห็มันรู้ระหว่างความรู้วกับความหลงมันเป็นยังไงอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษอะไรเป็นธรรมต่อกายต่อใจเราเราก็สัมผัสดูมันจะบอก ความจร <dining> e ิงก de ็บอกความจริงความไม่จริงเขาอยู่บนความไม่จริงไม่ได้ความไม่จริงทนต่อการพิสูจน์ไม่ได้ความจริงมันทนต่อการพิสูจน์ได้ใช่ได้ความทุกข์ความไม่ทุกข์มีความรู้สึกตัวไม่ใช่ไปควบคุมความทุกข์แต่เรามีความรู้สึกตัวขณะที่มันทุกข์ขณะที่มันโกรธขณะที่มันหลงความรู้สึกตัวก็เป็นการละความชั่วการทําความดีอยู่แล้วความดี ก็ไม่ใช่มีวิธีอืนอ่นเปลียงแต่มีความรู้สึกตัวมันก็เป็นความดีทำชั่วไม่ได้ความรู้สึกตัวก็มันก็ละความชั่วอยู่แล้วไม่ก็คิดอันความไม่ดีมันก็เป็นไปอย่างนี้เหมือ น, นเราซักผ้าผ้าสกรปรกเราไม่คิดว่าจะให้สกรปรกมันออกแต่มีกรรมวิธีมีผงสักโ้าลักษณะจิตกรรมก็ไปแช่นะ้าแช่ไ้ มันก็เป็นธรรมชาติหลักพ่อก็เข้าประกำจัดข้าบสกุลบออกได้ไม่ต้องไปคิดหาเหตุหาผลด้านมาจจเจริญสติก็เหมือนกันอะไรถูกอะไรพิษหาคาตอบจากความคิดไม่ถูกต้องเราต้องท่องดูเสียก่อนนี่คือการกระทําไม่ต้องเชื่อใครแไม่มีคําถามด้วยมีแต่คําตอบเราต้องตอบเอาอเองสภาพหลงสภาพารู้เป็นยังไง ทำผ่านเล้วก็เลือกได้ด้วยตน เ, นเองน่าเห็นคุณค่าของความรู้สึกตัวแล้วความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ไม่ยัง่งอยู่ที่เก่ามันกลายเป็นญาณเป็นวัญญาเป็นกระแสะแห่งมรรคผลให้ผ่านได้ฉะนั้นคนไม่ความรู้มองอะไทะลุทะลวงตามวิชาที่เล่าเรียนมาถ้าคนไม่รู้มองไม่ออก คนมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันมองทะลุทะลวงไปได้มันไม่จนภาษาความหลงเฉยๆก็จนให้ความหลงอยู่กับเราความโกรธก็อยู่กับเราความทุกข์อยู่กับเราเพราะไม่รู้ไม่ศึกษาถ้าศึกษาแล้วไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีอะไรง่ายเท่ากับเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ไม่มีอะไรง่ายกว่าเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์สะดวกที่สุด เปี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธสะดวกที่สุดการตื่นหรือโน่ในเรื่องนี้มากที่สุดเลยถ้าเราพอรู้จักล่ะพยันตรงนี้เป็นการกระทําที่ตรงนี้ก่อนอื่นใดแล้วมันหล ง, ลลงล ก, ลก็เปลี่ยนควาหลงไป็นความรู้ไปเลยแลามาทุกเปลี่ยนความทุกเป็นความรู้ไปเลยถ้ามันโกรธเปลี่ยนความโกรธเป็นความรู้ไปเลยมันไม่ยากไม่ต้องไปดุไปด่ากันเมื่อมันเจ็งตรงนี้แล้วมันก็เจ็งไปอีกต่อต่อไป เมื่อความไม่เที่ยงเกิดขึ้นเคยเป็นทุกข์กลายเป็นความรู้ไะความเป็นทุกข์เกิดขึ้นความเป็นทุกข์กลายเป็นความรู้ไปควมไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นเคยเป็นทุกข์เพราะความไม่ใช่ตัวตนผละภาจากหงอวลักผมชอบเลยก็ให้เป็นปัญญาไปด้วยแต่หลอดความแก่ความเก็บความตายเกิดขึ้นใครเป็นปัญญาไปเลยได้บรรลุธรรมผู้ความแก่ได้บรรลุธรรมผู้ความเก็บได้บรรลุธรรมความตายนั้นเต แบบนี้การเจริญสติเนี่ยยิ่งเหนือการเกิดเจ่เจ็บตายที่เราต้องต้นจากความรู้สึกตัวตามกลางคือความรู้สึกตัวที่สุดคือความรู้สึกตัวเป็นไปตานองเนี่เหมือนน้ำไหลจากที่สูงถึงที่ต่ํานั้นไปทางอื่นไม่ได้ความถูกก็อยู่บนความถูกสมอไปความผิดก็อยู่บนความผิดเสมอไปในชีวิตของเราเนะี่ยไม่มีใครที่จะเอาความผิดไม่มีใครจะเอความทุกข์ไม่มีใครจะความเจ็บความเจ็บความตาย นีลอยควมเลื่อตัวอยู่ในความไม่ถูกต้องทั้งหมดเลยนี่เราจะมาปึะหัดกันเตรียมตัวก่อนตายเตรียมใจก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้าก่อนแล้วโบราณท่านว่าถ้าเราไม่เตรียมตัวน่ะจะจนจะลำบากเคยเห็นมาแล้วเราเคยเสียใจร้องไห้กระกอบพระภาคเก่าของเราของเจ้าใจถูกความทุกข์อย่างเอา ความไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ควมเป็นทุกข์ควเป็นทุกข์ความเจ็บอยากตายเป็นทุกข์เอาไปมามันไม่ทุกข์ความไม่เที่ยงก็เป็นปัญญาอย่างที่เราสววเมื่อกี้เนี่ยสเพสังขาระอเิจาติอธารมัญญายาปสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารตั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมหน่อ ย, นยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพัญนิพานธ์ความไม่เที่ยงทแท้ๆเป็นพัญนิพานได้ จะเพสังขาราทุคหาติญาตาปัญญายปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็ในด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมหน่อยหน่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดอา้าวพระนิพพานอยู่กระบนวนของทุกข์นิพพานอยู่ความไม่เที่ยงแต่ปุถุชนเอาความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์เอาความเป็ทุกข์มาเป็นทุกข์เอาความไม่ใช่ตัวตนมาเป็นทุกข์มันไม่เหมือนกันตรงนี้ แต่อมีกายมีใจเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันมันก็มีอยู่มันก็ต่างกันตรงที่เปลี่ยนความร้ายเป็นความดีเปลี่ยนเป็นด้วยเขาจึงมหาดกันไม่ใช่ทำเลนเลนทำแค่นี้แหละมันไปเป็นอย่างโน้นเจ้ว่าเหตุมันอยู่ตรงนี้มันเป็นผลอยู่ตรงนัน้นเหมือนันเราโมยุกโมยช่างจังวะกายเคลื่อนไหวเป็นเหตุทาให้เกิดลูกจึตัวไดเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลทันที เมื่อเคลื่อนไหวรูดจึงตัวเป็นผลหรอกเจ้าคมรููถึงตัวเจ้าคามรูดถึงตัวไปหมายเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปเลยเป็นเรื่องที่ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องคิดถากับถามไม่ถามาถามีแต่การกระทําลงไปเลยถ้าจะทําไม่มีคําถามก็จะทำมีแต่คําตอบเพราะนตอบ ไ, ไม่ได้เราต้องตอบอปเลยเกงเป็นเรื่องตัวใครตัวมัน อาลิซับภายในเนี่ยแดงกัมกันมาได้เกิดขึ้นู่กับคิวิตจิตใจของเราจึงมีพิธีกรรมอย่างนี้มีจิตกรรมอย่างนี้น่าอนุโมทนากับกลุ่มพวกเราเป็นสมัครใจไม่ใช่มีระเบียบกฎเกณฑ์เหมือนในบุคลากรของรัฐเราพอใจที่จะศึกษาเรื่องนี้มาเละกลุ่มกันโดยเฉพาะพระสงเนี ไม่สามารถที่จะลิขิตชีวิตของคนได้แต่เป็นเพื่อนในทางการมีญาณมิตรไม่พาหลงทิศหลงทางเราจะพูดแล้วไปเย่งใหญ่เลยเป็นผู้ที่อาศัยพวกท่านนั่งหลายให้ช่วยกันทําความดีเราจะพูดแล้วว่าวันว่าเราหมดปัญญาแล้วมาอาศัยพวกท่านให้ช่วยกันช่วยกันมีสติช่วยกันรับความช่วยช่วยกันทาความดีช่วยกันทำกิจในบริสุทธ แล้วก็บอกต่อๆกันไปชวนกันไปโดยเพาะนับเด่นจากตัวเราก่อนถ้าไม่ตั้งต้นจากตัวเราก็ไม่มีใครที่ตั้งต้นเราจึงมาเริ่มต้นที่เราก่อนเมื่อเราตั้งต้นที่เราแล้วมันก็เป็นความกระทบไปเพราะเราเป็นสัตว์สังคมอยู่ด้วยกันเป็นพวกบครัวผัวเมียเป็นบุตรพัญยาสามีพี่น้องกันให้เห็นทำไมกันเห็นทำไมกันดูอยู่ให้กันเห็นพูดในกันฟัง นั่นเป็นไปเองโดยไม่เหือวิสัยที่จสร้างสันติสุขสรรค์พให้าเกิดขึ้นตัวนมนุษย์เราเพราเราจึงไม่ใช่อื่นไกลที่ไดมันเพื่อนเกิดเจริญตาด้วยกันแต่ถ้าไปช่วยกันตรง น, นี้ไม่รู้จะช่วยกันตรงไห น, นจริงๆแล้วก็เราช่วยตัว เ, เองกันเลยเราเก็บคนเดียวเราตายคนเดียว เวลาเราเก็บทำไมเวลาเราตายทำไมอัดเอาไว้ปึกเอาไว้มันมีทางถ้าเราปลึกดีมันเป็นแคบเรื่องนี้ด้วยอะเแคบเหนือการเกิจเจ็บตาย่นั้นเป็นไปได้เป็นจริยธรรมของชีวิตมนุษย์ไม่ใช่เรามายอมเจ็เจ็บตายคอที่จะเสียใจร้องโหมร้องไห้ไม่ใช่เลยไม่ใช่เด็ดขาดเราทำได้วันนี้ มันจึงเป็นวันหน้าของเราไม่ใช่รอวันนั้นจะมาถึงเราทําเสร็จไปนี้แล้วเสร็จไปแล้วสําเร็จไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นการจบแปลงขั้งสุดท้ายมากไม่เหมือนการศึกษาทางโกูกเห็นความหลงเป็นขั้งสุดท้ายได้ความทุกข์เป็นขั้งสุดท้ายได้โอดเป็นขั้งสุดท้ายได้ไม่ต้องมีอีกต่อไป ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นปฐมภาสิทธิ์ครั้งแรกว่าชาติเช้นแล้วผมมาจันยร์จบแล้วจิตอื่นที่ต้องทําไม่มีอีกแล้วในชาตินี้ของชาติสุดท้ายแล้วการเกิดดีไม่มีแล้วการเกิดล่มไปเป็นทุกข์ทุกข์ข้าวไม่มีแล้วการถูกเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดโลกเกิดหลงไม่มีอีกแล้วนี่คือการบ้านของเราให้มันจบไปซะ เ, เป็นแต่เด็กศึกษาตั้งแต่นมแต่น้อย อย่าปล่อยให้ใหเท่าไหรอมาทำอะไรไม่ได้ เ, เป็นเรื่องที่นั่งอานหมู่นากับกลุ่มพวกเราเป็นปัญญาชนอย่าไปเชื่ออย่ามาเชื่อหมู่หลงพ่อหลงตาทำดูก่อนทำดูก่อนสภาพที่มันหลงเป็นยังไงสภาพที่มันลูกเป็นปยังไงสังเกตความหลงลองดูมันต้องมีแน่นอนความหลงลเช่นเราจเจริญสติเนี่ย ที่มันแียงบ่าแี่งไหลกันแซงกันอยู่คือภาวะที่รู้ภาวะที่หลงหน้อยเลขกนึงเลยตัวหลงตัวรู้เกิกดขึ้นมาให้เราเห็นไม่ตั้งปิดปังอําพังอะไรอย่างอื่นก็มีอีกแซงไปความปูดความเมื่ยความเจ้าความหม่ความผิดความถูกแต่ความรู้สึกตัวนไม่เป็นยไไม่มีผิดไม่มีถูกผิดก็รู้สึกตัวเนี่ย ถูกก็รู้สึกตัวเนี่ยมันทุกข์ก็รู้สึกตัวเนี่ยมันสุขก็รู้สึกตัวเนี่ยมันหลงก็รู้สึกตัวเนี่ยมันรู้ก็รู้สึกตัวเนี่ยไม่เสียหายคำว่ารู้สึกตัวน่ะดีด้วยซ้าไปเมื่อมันหลงก็รู้มันหลงลอยข้างรู้ลอยข้างเท่ากันพอดีไม่เสียมันทุกข์ก็รู้เไม่เนะสีนะสลล ย, ยาาหายเละจิงเป็นประพฤติปวงมาจันท์จริงจริงบริสุทธ์ทุกโอกาส ถ้าความทุกข์มันเป็นเพื่อนเราเห็นแล้วไม่ทุกเห็นทุกเป็นผู้เห็นทุกไม่ใช่เป็นผู้มีทุกมันหลงเห็นมันหลงไม่ใช่เป็นผู้หลงเห็นมันหิวไม่ใช่เป็นผู้หิวเห็นมันปวดมันเมื่อยไม่ใช่เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยออกมาดูออกมาดูอย่างนี้มันจึงจะอยู่เหนือลูกลูกคือกายขั้วศอกเยาวานาคเคลือบเนี่ยต้องมาอยู่เหนือมันน่ะ เราจึงมาเห็นไม่เข้าไปเป็นกรรมการมานต่างมันก็เหนือไปเหนือไปเหนือไปเหนือกเกิดเจรจาตายได้เลยตั้แต่ เ, เรื่องต้นแล้วมันก็ไปทางนี้สติมันไปทางนี้ผมหลงไปทางต่อมผมรู้สึกตัวไปทางสูงสูงไม่มีอะไรครอบงำได้ดูเจ้าถอนตัดจะลู่ทวนกระเสือคือไปทางสูง มันคิดไปทางต่ำก็กลับมารู่จากตัวไปทางสูงได้จึงมากมีการฝึกหัดน่าจะข ย, ยันตรงนี้การตออือนร่นการฝึกตอนเองนะ่ะมันเป็นกอบเป็นกำขึ้นมาไม่ฟรีไม่เสี่ยงเราทำตาวอื่นยังเสี่ยงไมีแรงมีท่วงการเจริญสติไม่มีเสียทิกเบือขึ้นก็รู่ตันตีหายใจเข้ารู่ตันืี ไม่มีการไม่มีเวลาเลยอาการนี่ก็ทำปัจจิตตังรู้ด้วยตนเองทันทีถ้าไมไปเชื่อทำก็ถือว่าไม่เชื่อตัวเองถ้าคนเราไม่เชื่อตัวเองก็ถือว่าเลวที่สุดแล้วทำมัก็คือเรื่องของเราเนะ่ยทำดีทำชั่วทำดีไม่เดือดร้อนทำชั่วเดือดร้อนไม่เชื่อตรงนี้หลอกตามเชื่อตรงนี้ไมันรู้จะเป็นคนเป็นมนุษย์มาทำไมตัวเป็นมนุษย์สาเปยต บางเคยเป็นมุดเตะกิตใจยังเป็นเปรตเป็นสุลกายเป็นสัตว์ลลกผู้ปุมต่างๆไปมันไปรไปอย่างนั้นชีวิตของคนเราเน่ะไม่เหมือนสัตว์เดฉานมันตกนรกมันเป็นเปรตเป็นสุลกายได้เพราะมันมีความเจริญไปทิศทางต่างๆมากกว่าสัตว์มีอาวุธเข่อนฆ่ากันมีสม่องสร้างระเบิดอาธรรมะจีบหายต่อกันและกันได้สัตว์เดฉานก็ไม่มี้ะไร ไม่รู้จักแขนคอตายไม่รู้ยักเอาปืนมายิงตัวเองแต่คนเราทำเป็นฆ่าตัวตายได้5าคนอื่นได้จึงมีศาสนามาปฏิบัติธรรมมาเป็นกำกับชีวิตของมนุษย์ให้จนได้